ช่วงนี้กีฬาโอลิมปิกก็ใกลจ้จะงวดแล้วน ะ, ะพวกเราที่ปฏิบัติที่นี่ก็คงไม่สนใจนะหรือถึงสนใจก็ไม่ได้ข่าวคราวแต่ว่าคนที่เขาติดตามนี่ก็เป็นธรรมดานนะจะให้ความสนใจกับคนที่ได้เหรียญ น, นะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะ แล้วก็เป็นความไฝ่ฝันของนักกีฬาที่ต้องได้เหรียญพูดถึงลาดับขั้นนี่เราก็รู้นะว่าเหรียญทองเนี่ยสูงสุดนะลองมาก็เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงถามว่าระหว่างเหรียญทองแดงกับเหรียญเงินเนี่ยนะเราอยากได้เหรียญอะไรคนส่วนใหญ่ก็อาจจะตอบว่าอยากได้เหรียญเงินมากกว่าเหรียญทองแดงเพราะว่าที่สองก็ดีกว่าที่สาม แต่ว่าเขามีการวิจัยนักศึกษาก็พราบว่านักกีฬาที่ได้เหรียญเงินเนี่ยนะจะรู้สึกดีใจเนี่ยน้อยกว่านักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงอันนี้แปลกไหมทั้งที่เหรียญเงินเนี่ยมันมีค่าหรือว่ามีระดับสูงกว่าเหรียญทองแดง เขาสุปจากอะไรก็สุบจากตอนแจกเหรียญ น, นั่นนะตอนให้เหรียญเนี่ยอันหนึ่งสองสามก็มายืนอยู่บนแท่นแล้วก็พบว่าคนที่ได้เหรียญทองแดงเนี่ยน่าจะจะยิ้มแย้มนะโดยเฉลี่ยเนี่ยมากกว่าคนที่ได้เหรียญเงินอันนี้เขาก็ไม่ได้ดูอพันธ์นะเขาก็ศึกษาจากคลิปวิดีโอ ก็ศึกษากันเป็นคิดว่าคงเป็นร้อยนะเป็นร้อยคลิปนะที่มีการแจกรางวัลแจกเหรียญแล้วเขาก็ให้คะแนนนะความสุขหรือความดีใจในภาพรวมแล้วเนี่ยคนที่ได้เหรียญเงินเนี่ยความดีใจก็ประมาณ 4.8 ดดนะคะแนนความดีใจแต่ว่าเหรียญทองแดงนี่ประมาณ7จุดนึงนะเี้ย น, นี่ก็น่าคิดนะว่าทำไม คนที่ได้เหรียญทองแดงเนี่ยจึงดีใจหรือมีความสุขมากกว่าคนที่ได้เหรียญเงินซึ่งท้าสรุปก็คือเป็นเรื่องของมุมมองนั่นเองคนที่ได้เหรียญเงินเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเขาพลาดเหรียญทองเหรียญทองหลุดมือเขาไปส่วนคนที่ได้เหรียญทองแดงเนี่ยเขาคิดว่าโชคดีนะเกือบจะไม่ได้ซะแล้วนะ พอถ้าได้ที่สี่ก็อดเลยนะโดยเพราะจะเป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่แข่งทีเดียวนะแต่ว่ามีแข่งเป็นนัดอย่างฟุตบอลเนี่ยคนที่ได้เหรียญทองแดงก็คือคนที่ชนะนะในการแข่งนัดสุดท้ายส่วนคนที่ได้เหรียญเงินคือคนที่แพนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของคนเนี่ยที่ได้เหรียญเงินกับทองแดงก็เลยต่างกัน คนที่ได้เหรียญเงินลุ้นเสวะตัวเองแพ้หรือลุ้นเสวะตัวเองเนี่ยพลาดสูญเสียเหรียญทองส่วนคนที่ได้เหรียญทองแดงเขาลุ้สวะเขาได้นะหรือว่าวุดวิดจะไม่ได้แล้วระหว่างเกือบได้กับเกือบไม่ได้นี่มันให้ความรู้สึกต่างกันนะคนที่ได้เหรียญเงินลุ้นเสวะเกือบได้นะแต่ไม่ได้ก็เสียใจคนที่ได้เหรียญทองแดงก็าล้นเสวะเกือบไม่ได้นะแต่ได้ก็ดีใจ อันนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าคนเราจะได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับว่ารู้สึกอย่างไรได้เหรียญที่มีค่ากว่าคือเหรียญเงินแต่ว่ารู้สึกว่าเสียไปนะอยากได้เหรียญทองแดงอออยากได้เหรียญทองมากกว่านะก็ผิดหวังคนที่ได้เหรียญทองแดงแม้จะเป็นเหรียญที่มีระดับต่ำกว่าเหรียญเงินนะแต่เขาคิว่าเออดีได้ที่ฉันยังได้ อันนี้เป็นเรื่องมุมมองนะจะว่าไปก็คือการเปรียบเทียบนั่นแหละอย่างที่เคยพูดไปบัดกรอบว่าคนเรานี่มันเปรียบเทียบเมื่อไหรถ้าเปรียบเทียบไม่เป็นก็ทุกข์นะของแพงนะแต่ถ้ามีของอื่นแพงกว่าเราก็มองเป็นของถูกไปหรือซื้อของถูกได้ราคาถูกได้ราคาดีแต่คนอื่นเข้าซื้อได้ถูกกว่าเราเราก็ทุกข์นะ ได้หนังสือเล่มเล็กทีแรกก็ดีใจแต่พอเห็นคนอื่นเขาได้หนังสือเล่มใหญ่จากที่ดีใจก็เป็นเสียใจไปเลยเนะยอันนี้เพราะอะไรเพราะเปรียบเทียบนะนั่นได้อะไรเนี่ยไม่สํำมคมัญเท่ากับว่าเรารู้สึกหรือว่าเรามองมันอย่างไรถ้ามองไม่เป็นได้คือเสียนะมีเรื่องเล่าว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งแกไปปฏิบัติธรรมนะเข้าคอร์สอย่างพวกเรานี่แหละ แล้วเขาก็พบกวับความสงบมากก็ติดใจเมื่อกลับไปบ้านนี่ก็อยากจะทําความสงบอยากจะนั่งสมาธิทุกเย็นนะเมื่อเลิกงานแล้วเขาก็พยายามทำตามที่ตั้งใจไว้แต่ปรากฏว่ามีวันหนึ่งเนี่ยกําลังภาวนาอยู่นะตอนนั้นก็เป็นตอนเย็นทุกสีเป็นวันศุกร์ด้วยบอกกับว่า มีเด็กมันเล่นฟุตบอลอยู่หน้าบ้านถนนหน้าบ้านนี่มันกลายเป็นสนามฟุตบอลนะอันนี้ก็คล้ายๆล้าเมืองไทยเด็กก็ส่งเสียงดังเขาก็นั่งสมาธิไม่ได้เลยก็โมโหแล้วก็อยากจะออกไปไล่ตะเพิดเด็กแต่เขาก็ได้สติรู้ว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเด็กจะยิ่งมากวนเขามากขึ้นนะยิ่งไปไล่ตะเพิดเด็กเด็กก็จะยิ่งมารังควานนะ แล้วอาจจะส่งเสียงดังหนักขึ้นเพื่อแก้แค้นนะให้นเขารู้ว่าวิธีเนี่ยมันไม่สําเร็จเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีนะใช้วิธีตร ง, งข้ามนะทําหน้าตายิ้มแย้มเดินลงไปหาเด็กแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอพวกหนูเล่นฟุตบอลนี่ดูร่าเรืองแจ่มใสามากนะมันทําให้บรรยากาศนี่มันดีทําให้ลุงเนี่ยนึกถึงบรรยากาศสมัยที่ยังเป็นเด็กๆนะั้นได้เล่นบอล ชอบมากเลยนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงก็จะให้รางวัลพวกหนูนะเอาไปร้อยหนึ่งเอาไปแบ่งกันนะเด็กก็ดีใจวันต่อมาเด็กก็มาใหม่นะก็มาเวลาเดิมอะเวลาเย็นลุงก็กาลังนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้แต่ก็รู้แล้วนะว่าเด็กเนี่ยคงจะมาแหละเพราะว่าได้เงินไปแล้วเมื่อวาน นี่ลงไปก็ไปหาเด็กแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันนี้ขายไม่ค่อยดีเลยนะหนูเอาไปคดเอาไปห้าสิบาทก็แล้วกันนะเอาไปแบ่งกนันเด็กก็เริ่มผิดหวังเล็กน้อยนะเพราะเมื่อวานนี้ได้ร้อยวันนี้ได้ห้าสิบไม่เป็นไรนะวันรุ่งขึ้นเด็กก็มาใหม่นะมาตามนัดนะเวลาเย็น ลุงก็ไปหาเด็กแล้วก็บอกเนี่ยวันนี้ขายไม่ได้เลยนะเอาไปสิบบาทก็แล้วกันนั่นเด็กนี่ท่าทางไม่พอใจนะเมื่อสองวันก่อนยังได้ร้อยเลยวันนี้ได้สิบบาทเด็กรู้สึกว่าไม่คุ้มแล้วเล่นบอล น, นี่ได้สิบบาทนี่ไม่คุ้มเลยสุดท้ายเป็นยังไงเด็กก็ไม่มาแล้ะเลิกเล่นแล้วก็สมปาธนาของลุงนะของพ่อค้าคนนี้เด็กเขาคิดว่าเขาเสียนะ จากเดิมที่ได้ร้อยเนี่ยเขาได้แค่สิบเนี่ยมันหายไปเก้าสิบก็เลยไม่รู้จะเล่นไปทำไมแต่เขาลืมไปว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยมาเล่นแล้วไม่ได้เงินเขายังก็ยังเล่นได้แล้วมีความสุขด้วยถ้าเขาเปรียยเที่ยวสงสอยว่าวันก่อนนี่ฉันเล่นแล้วไม่ได้เงินเลยนะวันนี้ฉันได้สิบบาทเนี่ยเด็กก็น่าจะมีความสุขแต่เด็กเนี่ยมองไม่เป็นเด็กไปมองว่าเนี่ย สองวันก่อนฉันได้ร้อยวันนี้ฉันได้สิบฉันเสียไปเก้าสิบเด็กมองว่าตัวเองเสียเก้าสิบไม่ได้มองว่าตัวเองได้สิบนะก็เลยไม่เล่นนะไอนี่ก็ถามว่าเด็กโง่หรือเด็กฉลาดนะนั่นก็ได้แนง่าคิดนะมาคนเราเนี่ยถ้าทำเพื่องเงินแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขยากนะก่อน น, น, นั้นเด็กเนี่ยเล่นเพื่อความสนุกนะเด็กก็มีความสุขกับการเล่น แต่พอเอาเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันกลายเป็นว่าเล่นเพื่อเงินแล้วและพอได้เงินสิบบาทก็ไม่พอใจนะคนเราบางครั้งก็เป็นอย่างนี้นะ เ, เวลาทำอะไรไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องเนี่ยเราทำอยู่มีความสุขเป็นจิตอาสาหรือว่าไปช่วยกวาดต้นไม้อกวาดใบไม้ช่วยทำความสะอาดเก็บขยะมีความสุขนะเป็นจิตอาสาแต่พอ มีคนเห็นดีเหตุงามก็ให้เงินไปน ะ, นะให้ร้อยหนึ่งอ่าล้วก็ดีใจแต่ว่าพอวันหลังเนี่ยไปทำงานทำงานอาจจะด้วยใจรักเหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้ได้มาห้าสิบเนี่ยเริ่มเสียความรู้สึกแล้วนะและถ้าวันต่อไปไดสิบบาทเนี่ยกไ็ไม่ไม่ไม่ทำแล้วนะคือ พอเงินมันนาหน้าเนี่ยมันก็ปลุกให้เกิดตันหาจากเดิมที่ทำด้วยฉันทะคือทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความชอบพอมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ค่อยนะค่อยๆปลุกตันหาหเกิดขึ้นกลายเป็นว่าทำเพราะตันหาทำเพราะคาดหวังเงินพอไม่ได้เนี่ยนะมีความทุกข์เลยหรือพอได้สิบบาทก็มีความทุกข์ ท, ทั้งที่น่าจะดีใจว่าเออเราทําแล้วเราก็ได้ความสุขด้วยเราก็ได้เงินด้วยนะสิบบาทนะแต่คนส่วนให ญ, ญ่มักไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าเปรียบเทียบไม่เป็นนะมองไม่เป็นเนี่ยมันก็เห็นแต่เสียนะได้คือเสียแต่พ้านมองเป็นเนี่ยบางทีเสียคือได้นะเสียเวลานะไปทํางานช่วยเหลือผู้คนนะแต่ว่าได้นะได้ความสุขเอาคนเราจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ มุม <c oughs> มองนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราเวลาเวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยลองกลับมาดูใจของเราเสียไว้เรามองผิดหรือเปล่านะไอ้ที่เราทุกเนี่ยเพราะเราไปมองเปรียบเทียบหรือเปล่าเพราะเราไปเปรียบเทียบคนอื่นหรือเปล่าทั้งที่เราได้นะแต่มองไม่เป็น ไอ้ความเปรียบเทียบก็ดีหรือการมองแต่ลบ ก, ก็ดีเนี่ยมันก็ทำให้คนเราเนี่ยมีความทุกข์ได้ง่ายและมุมมองยี้มันก็ครอบจิดครอบใจเราจนกระทั่งบางทีเรามองไม่เห็นนะมันก็ใส่แว่นจนชินนะจนลืมไปว่าใส่แว่นนะท่านพอดีต้องกลับมาดูให้เราใส่แว่นผิดหรือเปล่านะมันเป็นแว่นที่เป็นแว่นดำนะไม่ใช่เป็นแว่นสว่างมันก็เลยเห็นโลกมืดนะอะ่แล้วก็เตรียมรับพร